บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการจำแนกธรรมะออกเป็นธาตุคือส่วนย่อยที่สุดขององค์ธรรมนั้ น, น, นทรงจำแนกไว้โดยพิสดารเป็นนั้นมากและทรงเชี่ย้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงศักดิ์เวทาศน์เมื่อกล่าวโดยสรุปประเภทของธาตุที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นเป็นทั้งส่วนที่เป็นรูปธรทำและส่วนที่เป็นนามธปรมาเป็นทั้งส่วนที่ยังมีองค์ประกอบคือการปรุงแต่งจากสิ่งอื่นและไม่มีองค์ประกอบคือไม่มีสิ่งเข้ามาปรุงแต่ง ธาตุอีกชุดหนึ่งเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเช่นเดียวกันทรงแนะให้ผู้ปฏิบัติกำหนดพินิษพิจารณาแยกออกไปให้เห็นชัดได้แก่ธาตุคือความทุกข์คืออาการที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เสียแทงในส่วนร่างกายของบุคคลให้มีความวิปริต แปรปรวนไปเมื่อเกิดทุกขธาตุขึ้นมาภายในใจภายในกายของบุคคลบุคคลก็จะมีความร่าเรอนปรากฏขึ้นนี่เรียกว่าทุกขธาตุอีกส่วนหนึ่งคือโทมนัสธาตุธาตุคือความโทมนัสส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเชื้อ อยู่ภายในใจของบุคคลโดยสภาพก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในคือการเหนี่ยวนึกของจิตเองได้ แ, แก่ความวิตกกังวลความเดือดร้อนความอิจฉาริสยาเป็นต้นเมื่อสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้น ก็เป็นการเพิ่มเชื้อของโทมนัสธาตุให้สูงขึ้นแต่บางครั้งก็เป็นการรับอารมณ์มาจากภายนอกซึ่งเข้ากันกับภาตที่มีอยู่ในภายในเหมือนกับบุคคลมีเชื้อโรคอยู่ส่วนหนึ่งภายในกายแล้วแต่รับเชื้อบวกมาจากภายนอกอีกอาการของโรคก็ปรากฏเสียแทงบุคคลนั้น รุนแรงมากบ้างน้อยบ้างตามปริมาณของโรคที่บังเกิดขึ้นเรื่องของโทมนัสธาตุก็มีลักษณะเช่นเดียวกันภายนอกนั้นเกิดขึ้นจากการกําหนดอารมณ์ที่ตัวไม่ชอบใจและเมื่ออารมณ์นั้นบังเกิดขึ้นภายในใจก็เกิดเป็นความโทมนัสขึ้นมาอีกคู่หนึ่งก็คือสุกธาตุ ได้แก่ธาตุคือความสุกกายหมายถึงอาการที่กายของบุคคลมีความปกติดินน้ำลมไฟอากาศอยู่ในสภาพที่สมดุลกันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องไปร่างกายในขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นร่างกายที่มีความสุขสุกธาตุคือเชื้อของความสุขก็ปรากฏออกมาเด่นชัด และในบางโอกาสใจเป็นเหนียวนึกถึงเรื่องของกุศลและทำความดีต่างๆที่เห น, นียวนึกไปแล้วมีความโปร่งเบามีความสบายบังเกิดขึ้นภายในใจก็มีส่วนอย่างสําคัญในการเพิ่มความสุขให้บังเกิดขึ้นและบางครั้งก็มีการได้สัมผัสทางตาหูจมูกตินกายเป็นต้น โดยเฉพาะในส่วนของร่างกายคือกายไปกระทบกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความสบบายกายกายก็ได้รับความสุขธาตุสุขธาตุเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็คือโสมนัสาธาตุธาตุคือความโสมนัสได้แก่ความเอิบอิ่มความยินดีความปีติความสุขใจ ที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลและเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วเกิดจะเกิดขึ้นจากการเหนียวนึกถึงความดีงามอาจจะเกิดขึ้นมาจากสัมผัสที่ดีเจได้เห็นรูปที่ดีดีฟังเสียงที่ดีสุดดมกลิ่นที่ดีๆลิ้มรสที่ดีดีถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ดีๆตัวหนึ่งก็กลายเป็นโสมนัสไป อีประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอุเบกขาธาตุได้แก่ความเป็นกลางของร่างกายและจิตใจคำว่าอุเบกขานั้นเป็นลักษณะของอารมณ์ที่เป็นกลางๆคือไม่ตกไปในส่วนของความยินดีและส่วนของความยินร้ายคือในขณะนั้นจิตไม่ตกไปในทางรักและทางชัง เพราะอะไรพระถ้าจิตตกไปทางรักก็เกิดเป็นสุขกัโสมานัตขึ้นมาถ้าตกไปทางชังก็เกิดเป็นทุกขโทมานัตขึ้นมาแต่ในขณะนั้นในเวลานั้นจิตไม่ได้ตกไปในด้านใดด้านหนึ่งก็กลายเป็นอุเบคาที่เรียกว่ามีอารมณ์เป็นกลางๆอุเบคาธาตจึงเป็นอาการส ง, งบของจิต จากพิชาคือความเพง gained, ่งเล็งโลภอยากได้และโทมนัตความคับแค้นใจความเสียใจความปทุสลายเมื่อธาตุแต่ละอย่างบังเกิดขึ้นทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติกำหนดระลึกรู้อยู่ที่ธาตุเหล่านั้นถ้าไปเห็นประจักษ์แก่ใจของตัวเอง เห็นเห็นทุกข์ที่ปรากฏแก่กายในขณะนั้นๆหรือสุขที่ปรากฏแก่กายในขณะนั้นๆก็รู้ความสุขและความทุกข์เหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อยามความโทมนัสและโสมนัสบางเกิดขึ้นภายในใจใจก็รู้ความจริงว่าขณะนี้มีสุขมีโสมนัสปรากฏขึ้น หรือแม้แต่มีอุเบกขาบางเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้มีอุเบกขาบาังเกิดขึ้นซึ่งการตั้งสติกําหนดระลึกโดยนัยนี้นั้นมุ่งหมายที่จะให้บุคคลรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงศัก์แต่ว่าธาตุเท่านั้นเอง แต่การจะเกิดความรู้ความเห็นเช่นนั้นขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องอาศัยการฝึกปลือการอบรมการน้อมนึกการสงบใจอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอาศัยกําลังแห่งความสงบหรือสมาธิเพ่งพินิษ ด, ดูในแต่ละขณะถึงแต่หากว่าทาจิตให้สงบอยู่ในธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็กลายเป็นสมถะ คือความสงบใจอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแต่ในชั้นหนึ่งก็ให้กำหนดแยกกำหนดพินิษพิจารณาถึงความจริงแห่งทุกโทมนัตสุขโสมนัตและอุเบกขาว่าซึ่งเหล่านี้เป็นการประกอบประชุมกันของเหตุของปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นส่วนภายในและทั้งที่เป็นส่วนภายนอกตาก็ามีปัจจัยเพียงด้านเดียวคือจะมีปัจจัยด้านนอกเพียงด้านเดียวแต่ปัจจัยภายในไม่มีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆก็จะไม่บังเกิดขึ้นแต่เพราะการประสานกันระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ คมมานาดความสุขสมนาสขึ้นตามสมควรแก่ลักษณะของอารมณ์จากนั้นก็กำหนดแยกเหตุปัจจัยเหล่านั้นให้กระจายออกไปก็จะมองเห็นถึงจุดที่แท้จริงของสิยงเหล่านั้นว่าเป็นเพียงศัก์แต่ว่ า, าธาตุเท่านั้นอย่างในกรณีของทุกทาธาตุคือความทุกข์ ซึ่งมีเชื้อส่วนหนึ่งอยู่แล้วภายในใจของบุคคลภายในร่างกายของบุคคลเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายนั้นเกิดขึ้นมาจากปัจจัยองค์ประกอบต่างๆเป็นนั้นมากและตัวเขาเองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะคงสภาพเดิมเอาไว้ได้ มีอาการเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาและจากความเปลี่ยนแปลงนี้เองก็กลายเป็นธาตุในลักษณะต่างๆถึงห้าอย่างซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากปัจจัยทั้งส่วนภายในและภายนอกปัจจัยส่วนภายนอกนั้นเกิดขึ้นจากการกำหนดหมายอารมณ์เป็นหลักใหญ่ต้นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเหตุว่า ในอารมณ์เดียวกันนั้นแต่ภาตภายในใจของบุคคลกําหนดอารมณ์เหล่านั้นแตกต่างกันความรู้สึกต่ออารมณ์ในขณะนั้นนั้นแม้จะมองด้วยการเห็นด้วยการวัตถุเดียวกันแต่จะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเชื่อภายในใจเป็นตัวกําหนด ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเวลาประสบกับอารมณ์เหล่านั้นซึงในเรื่องเหล่านี้สามารถกําหนดพิจารณาเทียบเคียงได้ในเรื่องต่างๆเช่นเกิดอาชญากรรมเกิดการล้มตายหรือเกิดการต่อสู้วิวาทกันบุคคลไปพบเห็นเรื่องราวเหล่านั้นกันหลายๆคนแต่ว่าเชื่อภายในใจของบุคคลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นไม่เหมือนกัน ความรู้สึกก็จะผิดแผกแตกต่างกันออกไปถ้าใครที่มีเชื้อภายในใจกำหนดรู้ว่าเป็นพวกเราเป็นญาติพี่น้องของเราก็จะมีความเดือดร้อนเกิดเป็นโทมนัตขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ากลุ่มบุคคล น, นั้นคณะบุคคลที่กำลังเบียดเบียนกันเชื้อภายในใจของตนเก็บไว้ในฐานะเป็นสัตร ความรู้สึกก็จะเกิดเป็นโสมนัสคือชื่นชมยินดีที่ศัตรูประสบความพิบัติแต่ถ้าหากว่าใจยังไม่ไปกำหนดอะไรเด่นชัดคือไม่ไม่มีทั้งรักทั้งชังที่เด่นชัดใจอาจจะอย่างลงสู่อุเบกขาพิจารณาเห็นว่าเป็นกรรมของสัตว์จึงจะเห็นได้ว่าการมองเห็นธรรมะนั้น มองเห็นในจุดที่ใจไม่รักจัดไม่ชังจัดแต่ถ้าใจยังรักรกังชังจัดอยู่แล้วจะเห็นธรรมะไม่ชัดคนนี้พึงดูตัวอย่างว่าผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะอยู่นี่เองยามที่เพื่อนญาติพี่น้องประสบความพลัดพลากมีญาติมิตรล้มหายตายจากไปเป็นต้น สามารถปลุกปลอบประโลมใจให้สติชี้นัเหตุผลความจริงให้ญาติพี่น้องเห็นตามคล้อยตามได้ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ญาติพี่น้องพลัดพลากไปนั้นใจตนไม่ได้กำหนดอะไรรุนแรงคือทั้งรักและทั้งชังแต่ในกรณีเดียวกันนั้นเองถ้าหากว่า ผู้ที่ประสบความพิบัติไปใจของเราไปกาหนดในฐานะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ความจริงตักเตือนใจตนเองกลับทำได้ยากเพราะมักจะหักไปด้วยอำนาจของอารมณ์เช่นบุคคล น, นั้นเป็นเพียชนคนที่รักของเรา เพราะก็ประสบความผิบัติแทนที่จะตั้งหลักได้เหมือนชี้แจงแนะนำคนอื่นก็กลับตั้งหลักไม่ได้เมื่อตั้งหลักไม่ได้ก็ถูกความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจเข้าครอบงมใจในกรณีที่ใจไปกาหนดชัดแจ้งว่าคนนั้นเป็นศัตรูก็จะเกิดความสุขความสมนัติความดีใจที่สัตูประสบความพิบัติ แทนที่จะพิจารณาให้เห็นเหมือนสอนคนอื่นพิจารณาไม่ได้เพราะมันหนักเกินไปดังนั้นประเด็นในการประพฤติปฏิบัติติโรผู้แต่เจ้าทรงเน้นไว้ด้วยวิธีการต่างๆด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันนั้นมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ว่าขจัดอภิชากะโทมนัตออกให้ได้อภิชาก็คือกิเลสประเภทโลภะ อาจจะเป็นความกำนัดความรักใคร่ยินดีความอยากได้ความพอใจความทะเยอทะยานอยากสายโมมนัตนั้นคือความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจไม่พอใจความโกรธความเกลียดซึ่งเป็นอารมณ์ที่มากที่สุดในชีวิตของคนจะหักไปหักมาอยู่สองฝ่ายนี้มากเป็นพิเศษการสอนให้พิจารณาในแนวธาตุก็เพื่อจะบรรเทาความรู้สึกในลักษณะนั้น ให้เบาบางลงไปเมื่อใจของบุคคลไม่ไปกำหนดรุนแรงดังกล่าวคือเป็นรักหรือเป็นชังที่รุนแรงดังกล่าวก็จะควบคุมความรู้สึกของตนให้เป็นไปในทางที่เหมาะที่ควรได้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือพร้อมที่จะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสิ่งต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์หรือโทมนัสก็มองว่าแท้แท้จริงความทุกข์และความโทมนัสนั้นเกิดขึ้นมาจากเขตปัจจัยมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงรักษาสภาพเดิมไว้ไม่ได้แก่เกิดแล้วแกจะทําหน้าที่แผดเผาเพราะงั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกนี้เมื่อเกิดขึ้นจะแผดเผาเหมือนกับเกลือ มีความเค็มเป็นธรรมดาไฟมีความร้อนเป็นธรรมดาโครนทำให้แปดเปื่อนเป็นธรรมดาไปถูกไฟแล้วไม่ร้อนกินเกลือแล้วไม่เค็มถูกโครนแล้วไม่เปื้อนเรื่องผิดธรรมดาดังนั้นเมื่อเหตุปัจจัยอันเป็นที่ตั้งของทุกโทมนัสเกิดขึ้นแกก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือจะต้องทำหน้าที่แผดเผาก่อให้เกิดความเล่าร้อนไปด้วยประการต่างๆดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาไป เมื่อมองเห็นเป็นธรรม a าได้ความรู้สึกชังหรือความรู้สึกโทมนัสก็จะเบาลงเบาลงใจของบุคคลก็ไปอย่างอยู่ที่อุเบกขาได้การจะเข้าใจอุเบกขานั้นต้องมองตามหลักที่รวดน้ำอุทิศกุศลกันอยู่เป็นประจำนั่นเองคือแทนที่จะหักไปด้วยอำนาจความรักและความชังแต่กลับตั้งหลักได้อยู่ที่กฎของกรรม พิจารณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นซึ่งดูแล้วคล้ายๆจะเห็นง่ายพิจารณาง่ายแต่ในชั้นของการท่องจานั้นง่ายแน่แต่การจะยอมรับนั้นยากดังกล่าวแล้ว เพราะเชื้อภายในที่เป็นทุกขโทมนัตกสุโสมนัตแก่มีมากการกำหนดอารมณ์ในลักษณะเพิ่มเชื้อสองฝ่ายนี้จึงมีมากกว่าปกติใจมันก็หนักไปทางรักกะทางชางดังกล่าวเวลาคนของตนหรือใครก็ตามประสบความพิบัติจึงมักจะวางใจเป็นกลางไม่เคยได้ เบกขาท่านจึงแปลโดยพื้นพื้นทั่วไปว่าได้แก่ความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อคนอื่นประสบความพิบัติไอคนอื่นประสบความพิบัติแล้วเสียใจคล้ายๆกับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดีใจคล้ายๆจะผิดธรรมดาทางนี้ไม่ใช่ผิดธรรมดาแต่เป็นธรรมดาธรรมดาของอะไรธรรมดาของใจที่ไปกาหนดบุคคลโดยนัยะดังกล่าวแล้ว คือถ้ากาหนดเป็นศัตรู <c oughs> ก็จะเกิดดีใจถ้ากาหนดเป็นมิตรก็จะเกิดเสียใจคือจะหักอยู่สองด้านอย่างนี้ด้ <c oughs> นั้นการที่จะยังลงสู่อุเบกขาพิจารณาตามกฎของกรรมจึงกลับทาได้ยากแต่ถ้าหัดพินิศพิจารณาบ่อยๆแยกย้ายเห็นตามความเป็นจริงว่ า, าธาตุทั้งสี่ประการข้างต้นนั้น ว่าจะเป็นทุกขโทมานัษสุขโสมนัษก็ตามตัวนแล้วแต่เกิดมาจากเขตปัจจัยแกเองจะเป็นสุขเป็นทุกเป็นทุ ก, เ ป, ทกเป็นโทมานุษเป็นสุขเป็นโสมนัษแกก็คงสภาพของแกไว้ไม่ได้ไฟล์ของสุขโสมนัษเมื่อเกิดขึ้นแล้วแม้แกจะเกิดมาจากเขตปัจจัยมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ใช่ทำหน้าที่แผดเผา กระทำหน้าที่ให้เกิดเป็นความสุขความเอิบอิ่มความชื่นบานในด้านจิตใจและความปร่งเบาความปราศโรคที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายแต่ในขณะเดียวกันก็มองให้ลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าเนื่องจากโดยสภาพของแกแล้วแกดำรงสภาพเดิมไว้ไม่ได้เวลาสุขสมนัตเกิดขึ้นก็ไม่หลงเพลิดเพลิ น, นละเริงลง ยินดีอยู่ในความสุขเหล่านั้นเพราะจะมองเห็นอีกฝากหนึ่งซึ่งเป็นทุกขโทมานัตพอทุกขโทมานัตเกิดขึ้นก็มองเห็นอีกฝากหนึ่งคือสุขโสมานัตใจจะไม่หนักทั้งสองด้านคือเวลาทุกขโทมานัสก็ไม่ทอดอะไรตายอยากเวลาสุขโสมานัสก็ไม่เพลิดเพลิเพนเริงหลงเมื่อใจไม่หนักอยู่เช่นนี้ก็ทำให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ อย่างลงสู่อุเบกขาได้เมื่อคราวที่จะต้องใช้อุเบกขาการพิจารณาโดยไยะนี้เป็นการพิจารณาตามแนวของวิปัสนาวิปัสนาคือความเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงเป็นความเห็นที่วิเศษเห็นเป็นความหลากหลายของสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะเห็นในแในแนวของการเกาะกลุ่มของสิ่งต่างๆ แล้วกาหนดไปด้วยอำนาจของการย้อมจากกิเลสซึ่งการมองในแนวนั้นมักจะมองรวมๆแล้วก็ไม่ได้อย่างให้ลึกอะไรสิ่งอะไรปรากฏอย่างไรก็จะมองเห็นอย่างนั้นแล้วกาหนดหมายไปตามสิ่งที่ปรากฏซึ่งในลักษณะเช่นนี้แม้การแม้บุคคลนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน โอกาสที่จะพลั้งพลาดมีได้ง่ายคล้ายๆกับซื้อของก็เห็นปั๊บก็ตัดสินใจซื้อปุ๊บโดยไม่ได้มองให้รอบด้านไม่ได้ตรวจสอบถึงความที่รุดบกพร่องอะไรที่มีอยู่ในของนั้นหรือไม่ตัดสินใจซื้อไปเลยอาจจะได้ของดีก็ได้อาจจะได้ของไม่ดีก็ได้ซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าหากว่าพินิจพิเคราะห์ตรวจสอบโดยละเอียดท่องแท้ มันก็จะทำให้ได้ของที่มีค่าขึ้นมานี่ก็คือการมองในแนววิปัสสนาเป็นการมองชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องเหล่านั้นเมื่อบุคคลยกเอาธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือทั้งทั้งห้าธาตุที่ยกมานี้ขึ้นมาพิจารณาถ้าหากว่านำเข้าไปพิจารณาตามหลักของพระไตรลักษณ์ ก็จะเห็นความจริงตามแนวของใสลักอาจจะมองในแง่ของอนิจจตาก็ได้คือความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ได้โดยมองให้เห็นว่าความสุขก็ดีโสมนัตก็ดีทุ ก, ก็ดีโทมนัสก็ดีเบขาก็ดีนั้นที่จริงแกเกิดขึ้นแกตั้งอยู่และกระดับไปมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของแกอยู่ตลอด ก็ไม่ได้ตั้งอยู่นานๆไอความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีเสมอไปอย่างเด็กที่เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้นแต่ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงบาลีท่านชาต้คำวิยะคือความเสื่อมเพราะรูปทรงโครงสร้างของความเป็นเด็กเล็ ก, ลกๆก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยลำดับนั่นก็เป็นความเสื่อมในอีกด้านหนึ่งอีกแ ง, ง่หนึ่งเหมือนกัน ดันั้นเวลาสุกแกเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงในรูปของการเพิ่มขึ้นเวลาแกเสื่อมลงคือความสุขค่อยๆลดลงก็มองเห็นเป็นความเสื่อมในด้านที่ลดลงแต่สรุปว่าไม่มีอะไรที่แ ก, กคงที่อยู่ได้ตลอดไปใจที่เคยหลงรักหลงชังในสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆบันเทาลง ปัญหาที่คนไปหลงไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งต่างๆนั้นตัวการสําคัญจริงๆคือมองเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นไม่ประจักษ์ตราจาบใดที่โทษนั้นไม่ประจักษ์แก่ใจการปล่อยการวางจากสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ยากไม่ต้องดูอื่นไกลขนาดจเจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้แต่การกระทําในชีวิตประจำวันของคน การตกอยู่ภายใต้หลุมบ่อของอบายมุข ค, ความเกียดคร้านทำการงานความหยาบคายไร้กาศอะไรต่างๆซึ่งบุคคลไปใช้ไปเกี่ยวข้องอยู่สาบใดยังไม่เห็นโทษประจักษ์ชัดก็จะไม่เลิกละจากสิ่งเหล่านั้นอย่างตัวอย่างที่เคยยกถึงพระราชาโปรงหนึ่งที่ว่าจะต้องดื่มน้ำจันทุกวัน พร้อมด้วยอาหารเนื้อเวลาประสบโทษความรุนแรงประจักแก่ใจในวันหนึ่งไม่มีเนื้อจะเสวยอารามที่เมาจัดเกินไปจับลูกชายหักคอยโยนมาให้เขาปรุงเป็นอาหารพอตื่นขึ้นมารู้ว่าตนกระทำไปทาอะไรไปในยามเมาเช่นนั้นก็ประจักษ์แจ้งโทษนั้นถึงใจแล้วก็เลิกละได้ ด้าการมองถึงความยึดความถือในธาตุทั้งหลายก็ต้องมองในแนวนั้นคือมองตนจนเห็นโทษประจักษ์แก่ใจแล้วในที่สุดก็จะค่อยๆบันเทาความรู้สึกปูกพันยึดเหนียวในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นลงได้โดยลำดับที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าอารมณ์ในลักษณะนี้ประเภทนี้ เป็นอารมณ์ของวิปัสนาในกลุ่มวิปัสนาพระพุทธเจ้าทรงใชค้คําว่าอินทรีย์เรียกสุขขินรีอินทรีย์คือความสุขโสมนัสสินสีอินทรีย์คือโสมนัสทุกขินรีอินรีย์คือความทุกข์โทมณัสโทมณัสสินสีอินทรีย์คือความโทมนัสและอุเบกขินรียอินทรีย์คือความเบคะเรียกในฐานะเป็นอินทรีย์นั้นคือแกเป็นอะไรแกก็เป็นอย่างนั้น แกเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนทุกมีลักษณะยังไงทุกมีลักษณะเสียดแทงแผดเผาก่อให้เกิดความเล่าร้อนแกไปเกิดที่ไหนแกก็ต้องแสดงเอกลักษณ์ของแกคือจะต้องมีลักษณะเบียดเบียนแผดเผาก่อให้เกิดความเล่าร้อนทุกผลทุกแห่งเกิดที่คนก็แผดเผาเกิดที่ต้นไม้สิ่งของก็แผดเผาเกิดที่หินที่ภูเขาก็แผดเผา ส่วนจะเล่าร้อนหรือไม่นั้นก็อยู่ที่จิตเสวยหรือถ้าไม่มีจิตเป็นตัวเสวยก็ไม่ถึงกับเล่าร้อนแต่ก็มีการแผดเผามีการเบียดเปลี่ยนนั้นเรียกในฐานะที่เกเป็นใหญ่ในฐานะในหน้าที่ของตนแต่วันในที่นี้ทรงสอนในแนวของทานคือให้มองในจุดของความเป็นทา่านเพื่อ ใ, ใจสงบอยู่กับสิ่งนั้นประการหนึง่งเพื่อแยกแยะได้ประการหนึง่ง เพื่อเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นประการหนึง่งและเพื่อให้บุคคลสามารถปล่อยวางความยึดติดในสุขในโสมนัสในทุกข์ในโทมนัสและในอุเบคาลงไปได้เมื่อกระทําได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะอาศัยความสงบและความรู้ยิ่งเห็นจริงเป็นหลักคุ้มครองใจตนเองได้ตามสมควรแกร่การปฏิบษษษษัติ ต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป